หนาวแนละ้วมันจะร้อนว่ะแต่สงสัยมันจะหนาวจะมากกว่านะ่ะไอ้สมชายชนีดับมันร้องนะร้องตั้งแต่เช้านะยังไม่หยุดเนะเป็นชั่วโมงกว่าเลยเนะี่ยวันพรุ่งนี้เป็นวันงานกรถินห้วยซวกเนะวันพรุ่งนี้กรถินห้วยสวกวันที่สิบเอ็ด วันที่11พฤศจิกายน53แลวก็วันที่22พฤศจิกายน53เป็นวันมอบโรงเรียนอนุบาลบ้านกล้องวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขต4อำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานี ท่านศาสตราจารย์ดอกเตอร์ฮีลันนงเยานงเยาคือคุณนายอาจารย์นงเยานะดีศีจะมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกล้องวันที่ยี่สบนับว่าเป็นผูใจบุญแต่เฉพาะอาคารเรียนอย่างเดียวก็ส5มล้านห้าแสนสามล้านห้าแสนนะเพิ่ม โต๊เก้าอี้เขาอีกแต่หลวงพ่อก็ไม่ทราบเันกันมาโต๊ะเาอินเท่าไหร่หมนะแต่ไม่ทำก่อแสนเด็กมกั่งคงจะแสนกว่าที่แรกก็ไม่ได้รวมโต๊ะเก้าอี้ครูนักเรียนอีกพอมาเนี่ยมีอาคารก็เลยหลวงพ่อก็เลยบอกไปทางเจ้าภาพไม่สมบูรณ์แล้วทางว่าไม่มีโต๊เก้าอี้ทายัางไงถ้านักเรียนเข้ามาแล้วก็ไม่รู้จะนั่งที่ไหนอาคาร เรียนของเขาก็รู้สึกว่ามันนั้นอยู่แล้วจะเอาโต๊เกียอินนักเรียนโรงเรียนเก่าเขาขึ้นมาคงจะไม่เหมาะสมกับอาคารใหม่ท่านก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรสั่งซื้อใหม่เลยท่านก็เลยได้เอามาใหม่ครบตามจํานวนคงจะใช้เงินเป็นแสนอย่มั้งแสน ก, กว่าเนะี่ยพอเราตก่อนมันก็ ราคามันก็ไม่แพงเท่าไหร่ชุดหนึ่งก็ประมาณห้าหกร้อยบาทแต่ัวนี้มันฟังๆดูแล้วมันไม่ได้ เ, เกือบจะเป็นพันบาทชุดหนึ่งโต๊ะนักเรียนไ ม, ไม่ใช่ถูกเหมือนกันนะอันนี้ก็คือการมองการศึกษาการแพทย์การพยาบาลการแพทย์ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูด ให้แก่พวกเราท่านทัน้งหลายฟังเดี๋ยวนี้ยังเป็นหนี้เขาอยู่ห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมืเครื่องมือผ่าตัดหัวใจก็คิดว่าอีกไม่นานเครื่องมือก็คงจะเข้ามาละนี่ก็ยังการสั่งอยู่มีแต่เซ็นสัญญาสัญญาซื้อเมื่อเครื่องมือเข้ามาแล้วก็คงจะจ่ายเงินถ้าเครื่องมือไม่มีไม่มีปัญหา แต่สําหรับโรงเรียนเป็นของท่านดต็ตรกับคุณอาจารย์นงเยาวที่เป็นคุณนายท่านจัดการแต่ว่าหลวงพ่อเป็นผู้ได้แนะนำสองโรงเรียนโรงเรียนที่คมคำสร้อยกับโรงเรียนบันก้องแต่ตามไม่จริงท่านก็จ ะ, จะสร้างหลังหนึ่งหลังเดียวสร้างหลังเดียวคือหลังใหญ่สามชั้นสามชั้นก็ประมาณ 8ล้านทั้งโต๊ะเก้าอี้อะไรด้วยที่ท่านองค์ขามนตรีดรอเตอร์เฉากุญชัยเขาสร้างที่ท่าบอ่อแต่นีอาจารย์ดรอเตอร์ฮีรันนะอดีตผู้ ว, ว่าการรถไฟเก่านะท่านก็อยากจะเอาให้มันหลังใหญ่แต่มันหาที่ลงหาที่ลงยาก ที่ลงยากก็คืออะไรก็คือนักเรียนต้องใช้นักเรียนมากแต่บ้านกล้องอาคารเก่าอาคารเรียนยังมีอยู่ใช้อยู่แต่ถ้าเอาหลังใหญ่เข้าไปอาคารที่ที่ใช้อยู่มันก็ไม่เกิดประโยชน์เทิ้งล้างก็น่าเสียดายก็ควรจะแบ่งให้โรงเรียนอื่นเขาบ้างก็ได้แบ่งกันเป็นสองโรงเรียนคืออาคารหลังเดียว แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งทำเป็นสองชั้นแต่มันาราคามันก็ถูกลงเพราะมันทำอยู่ในดินหลังละแปดห้องเรียนเผลอๆสิบผ้าห้องเรียนก็ได้ 8, 8, 2, 6, แปดแปดสองสิบหกในกำไรไปห้องหนึ่งอีกต่างหากเพรางั้นแะแต่ราคาถูกลงอีกพอราคามันเพียงเจดล้านสามล้านห้าสองหลัง มันก็เป็นเจ็ดล้านจะถูกกว่าหลังสิบห้าห้องเรียนเพราะมันออกขึ้นข้างบนเนี่ยอันนี้ก็ได้ทำเสร็จสิน้นนิคมคำซอยก็มอบไปแล้วแต่นี้ยังของบันกล้องน่จะมอบวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกาอันนี้ก็เพื่อการศึกษาหลวงพ่อเคยพูดมา หลายครั้งคนจะเ ฉ, เฉลียวฉลาดมาได้ต้องได้รับการศึกษาต้องได้เรียนรู้ต้องเข้าโรงเรียนหลายระดับถ้าว่าประเทศชาติด้อยในการเรียนการศึกษาชาตินั้นประเทศนั้นก็จะเป็นเบี้ยร่างของคนอื่นเขาเพราะ อ่านหนังสือไม่ออกไปที่ไหนก็เหมือนคนตาบอดเขาเขียนหนังสือไว้ก็ไม่รู้ขับรถขับราไปที่ไหนอ่านหนังสือไม่ออกจะทําไงแต่ในการแนะนําเขา้าทางส่วนรัศการมาแนะนําก็จะรู้ได้ยังไงเพราะไม่รู้หนังสืออะเอาเอกสารให้ก็อ่านไม่ออกมันเป็นเรื่องจุงยากทั้งหมดเพราะอะไรเพราะไม่ได้รับการศึกษา แต่ถ้าว่าเราได้รับการศึกษาแล้วเรียนรู้เทียมเท่ากันหรือว่าใกล้เคียงกันอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างน้อยทํามากกว่า น, นั้นก็รู้กฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองนโยบายของรัฐบาลแต่ละกระทรวงทบวงกลมเป็นยังไงถ้ารู้ได้ขนาดนั้นไปนว่าประเทศชาติได้รับการพัฒนาเกือบจะเทียมเท่ากันคนที่จะเอารัดเอาเปียบกัน ก็อยากเพราะเหตุไรพ่อบอกมีความรู้ใกล้เคียงกันแต่เนถ้ามันห่างกันเกินไปอย่างที่ว่านั่นเหมือนกับหมูเหมือนกับวัวควายนต้องสนตะภายเสร็จแล้วก็จูงตามหลังไปสุดแท้แต่คนจะจูงไปที่ไหนจะให้ทําอะไรฮอันนี้เมื่อเราเกิดมาในชาติไทยควรจะได้รับการพัฒนาเนี่ยหลวงพ่อมองเห็น ถึงหลวงพ่อจะเรียนไม่เรียนไม่สูงกว่าเถอะแต่มองเห็นการศึกษาเป็นเรื่องที่จําเป็นสําคัญส่วนหนึ่งจึงได้ ช, ช่วยในเรื่องการศึกษาจากนั้นก็เรื่องการแพทย์ถ้าว่าคนเราถึงจะอุดมสมบูรณ์มีความสุขได้รับการศึกษาดีขนาดไหนลํารวยขนาดไหนเศรษฐกิจเฟื่องฟูขนาดไหน แต่ก็าการแพทย์เนี่ยด้อยเครื่องไม้เครื่องมือไม่ทันสมัยพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ไว้ใจหมอในประเทศนู่นบินไปต่างประเทศไปรักษาเขาเก็บราคาแพงๆก็ยอมเพราะรักชีวิตยอมจ่ายเงินผลที่สุดก็เอาเงินขนเงินในประเทศตัวเองไปต่างประเทศ เพื่อรักษาสุขภาพเสียเงินที่หามาด้วยความยากลําบากแต่ถ้าว่าเราช่วยกันพัฒนาการแพทย์เป็นที่ยอมรับไม่แพ้ต่างประเทศเขาอย่างประเทศไทยทุกวันเไม่แพ้ต่างประเทศพัฒนาการแพทย์โรงพยาบาลที่ไหนไหนก็ เ, เป็นที่ยอมรับเพืเอ่เอเผยต่างประเทศเขายังมา รับรักษาในประเทศไทยอีกต่างหากนี่ก็ควรจะส่งเสริมการแพทย์แต่มันก็พิจารณาอีกแนวหนึ่งก็ยากจริงเหมือนกันพราแพทย์มันก็อยู่กับคนอีกเหมือนกันทางว่าแพทย์หมอไม่มีน้ำใจไม่มีไม่ได้สำนึกว่าเราเป็นแพทย์เป็นหมอพี่น้องประชาชนมันก็ยากอีกเหมือนกันบางคนก็ อันไหนควรก่อนอันไหนควรหลังเ อ, อ่อก็ดีเนี่ยยังมีกฎหมายขึ้นมาจะฟ้องร้องกันทุกวันเนี่ยไม่รู้จะเอาลงเอ่ยก็ได้ยังไงพี่เจรณาดูแล้วก็คือคุ ณ, ณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในใจเนี่ยนะไม่ว่าโรงเรียนไม่ว่านักเรียนไม่ว่าครูโรงเรียนน่ะครูโรงเรียนก็เหมือนกันถึงจะสร้างอาคารให้ดูหลาโออารดีขนาดไหนแต่ครูโรงเรียนหนึ่ง ไม่เอาฐานมีแต่เที่ยวมีแต่เตรไม่สนใจในการสอนเผลอๆสนใจแต่หุ่นขึ้นตัวไหนลงตัวไหนเบิร์เลขไหนาการพนองการพนันเข้าไปการสอนก็ด้อยลงไปถึงจะสร้างอาคารเรียนให้ดีขนาดไหนก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรอีกเหมือนกัน การแพทย์การหมอก็เหมือนกันสรุปแล้วก็คือทุกวงการวงการพระพุทธศาสนาวงการสงฆ์ก็ใช่ย่อยเมื่อไหร่อีกถ้าว่าไม่ตังอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติพระสงฆ์กันเนี่เช้าโชออกมามีโรค ก, กี่ครั้งตุ ก, กี่หนเหมือนกันสรบปแล้วก็คือทุกทุกวงการจะให้มองตนเองมองตนเองมาก เข้าที่จะมากได้ตรงไหนที่ขาดตกบกพ้องจะเสียหายต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อวงการตรงไหนจะพัฒนาประเทศชาติวงการให้เจริญรุ่งเรืองให้มีให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนในเขตพื้นทีนน่นั้นๆโรงเรียนก็สอนเป็นโรงเรียนดีเด่นนะหรือว่าเป็นโรงเรียนเทียมเท่าอยู่ในมาตรฐาน โรงพยาบาลก็เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนวัดแต่ละวัดก็เป็นวัดตัวอย่างอําเภออําเภอตัวอย่างสถานีตารวจตัวอย่างอนามัยตัวอย่างถ้าว่าทุกคนพยายามทํำให้ดีในหน้าที่การงานที่ตัวเองรับผิดชอบนั้นๆจุดนั้นๆ ถ้าทุกคนสำนึกในนีกได้อย่างนั้นแปลว่าชนกลุ่มนะัน้นได้รับการพัฒนาได้รับการพัฒนาพร้อมกับมีคุณธรรมในจิตใจวิ ช, ชาคือความรู้จารณะคือความประพฤติเป็นผู้สมบูรณ์ถ้าทำอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าทำไม่ได้ก็อย่างวายเหมือนกันถึงจะให้เครื่องมือขนาดไหนเครื่องมือเทึงไว้อย่างนั้นเอาผ้าถุงมจะติดขอบคุมไว้เยียวยังไ ไม่ได้ใช่เพราะเหตุไรเพราะหมอไม่มีแกจิตใแกใจที่จะมาใช้เครื่องมือให้แก่พี่น้องประชาชนเข้ามาบริการถ้าเข้ามาบริการขนุนค่าจุกค่ายากค่าเปอร์ทรงค่าเปอร์เซนก็ว่ากันไปได้ยินบ่อยๆถึงหลวงพ่อจะอยู่ในป่าดงพงไพ่พอหลวงพ่อได้เข้ามาช่วยในจุดนี้ก็พอได้ยินมาง้นได้ยินก็ไม่สบายใจเหมือนกัน แต่จ ะ, จะทำยังไงได้มันโลกสรุปแล้วแบบพระพุทธเจ้าว่าไม่น่ามาเกิดในโลกในวันดไม่น่ามาเกิดถ้าเกิดขึ้นมาแล้วต้องลงต้องพบต้องเจอตรงนี้ต้องเห็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาไม่ว่าวงการไหนไม่ว่าวงการพระพุทธศาสนาไม่ว่าวงการขราชการทุกหน่วยทุกเหล่าใครเขาไปใกล้จรงจะรู้จัก เจ้านายเป็นยังไงเอารัดเอาเปรียกยังไงขอรับชงขอรับชั่นยังไงมีอคติต่อลูกน้องยังไงตามขั้นตอนตามไม่จริงเจ้านายมีอคติกับตัวเองตัวเองก็น่าจะเข็ดในเมื่อตัวเองเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาตัวเองก็ไม่น่าจะมีอคติกับลูกน้องน่าจะซื่อตรงกับอคติเยี่ยงหนักเข้าไปกว่านั้นอีกแล้วลูกน้องอีกอคติอีก ชัาคติโทสกติโมหคติพยาคติอคติสีเนี่ยนํามาใช้แปลว่าไม่สูญสิ้นไปจากโลกเลยว่างั้นทั้งที่ตัวเองจะเข็ดที่อคติกับตัวเองแล้วน่าเออข้าไปเจ้านะรับได้รับอคติจากเจ้านายข้าไปเจ้านะี่เบื่อจริงๆมาถึงจุดข้าไปเจ้าข้าไปเจ้าจะไม่ทําอย่างนั้นเด็ดขาด ข้าพเจ้าจะตรงไปตรงมาจะไม่ตั้งอยู่ในอัคติสี่โดยมากจะหายากโดยมากอัคติสี่มาแล้วอัคติสีไปแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆอัคติไปเรื่อยๆโลกจึเดือดร้อนวุ่นวายทุกวันนี้เพราะการปกครองอยู่ในอัคติสี่เพราะฉันทาติคือความรักความชอบกันในหมู่ในคณะแล้วก็เอาตาแหน่งหน้าที่ให้หมู่ในคณะตัวเอง เห็นเคร่งใครจะโดดเด่นขนาดไหนก็จะไม่ให้เขาเพราะไม่ใช่พวกตัวเองใชนี่แหละโทสะกติไม่พอใจโกรธให้เขาไม่ให้ตําแหน่งหน้าที่การงานไม่ส่งเสริมเขาเพราะโกรธเพราะเขาทําไม่ถูกใจเราเอีพย า, าคติคือเกลียดเขาอีกเโมหกติ ค, คือความหลงหลงคํำนี้นมันหลายระดับระเกินหลงนะหลงในหน้าที่หลงในตําแหน่ง หลงในการเป็นอยู่มโมหาคติสรุปแล้วก็คือมันหลงซะก่อนมันยังมีอคติเหล่านั้นเพราะนั้นการเป็นอยู่ในมวลมนุษย์ชาติ่พิจารณาดูแล้วภาพรวมออกมาแล้วเนี่ยมันอยู่กับตัวของเราทุกๆคนท่านทุกคนมี ศีลแธรรมจริยธรรมมีคุณธรรมในจิตใจอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ความสำคัญเรื่องใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้ว้วยใจไปค้นคว้า ศ, ศึกษาในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านให้ความสำคัญเรื่องใจเนี่ยเป็นใหญ่ใจเนี่เป็นลึกหัวหน้าถ้าว่าใจดีแล้ว การกระทําออกไปก็ดีถ้าใจมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมได้อบรมดีแล้วการกระทําทางกายก็ดีการพูดออกไปทางวาจาก็ดีถ้าใจไม่ได้รับการอบรมใจเป็นนักเลงอยู่แล้วนะ่ะปล่อยออกทางกายก็เป็นหมัดเป็นมวยไม่รู้ว่าศอกไม่รู้ว่าเข่าหรอกงั้นแต่ไม่รู้ว่ากำปั้นหรอกงั้นแตะอย่างน้อยแต่ตาเหลือกตาเกี่ยวงั้นนี่แหละ อันปล่อยออกไปทางกายทางวาจาเหมือนกันเนีย่ยเป็บแนมแนมเอีพูดให้เขาเนี่เจียดเฉียดสีสีเขาอยู่งั้นอะ่ะเป็นเสียงวาจาออกมาฮะนี่แหละอันนี้ก็คือท่าใจของเราไม่เป็นธรรมใจของเราไม่ได้รับการอบรมใจของเราไม่นิ่งฮะ ใ, ใจของเราไม่ได้ชำระกิเลสราคะโทสะออกแล้วมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นะ เพราะนั้นให้พวกเรานะดูใจของตอนเองเอาศีลธรรมเข้าสู่ใจถ้าคนใจมีศีลธรรมแล้วอยู่นสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขไปหมดไปอยู่กับใครอยู่ในยุคไหนสมัยไหนก็ร่มเย็นอยู่คนเดียวก็สบายใจเย็นใจสบายใจเพราะมีศีลธรรมอยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านสถาญาติโยมพระเนนทุกองคนะสรุปแล้วให้อบรมใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้า ใจได้รับการอบรมดีแล้วร่มเย็นเป็นสุขรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักหนักรู้จักเบารู้จักเขารู้จักเราควรจะวางตนอย่างไรควรปฏิบัติตนอย่างไรจะรู้ได้ความพอเพียงและวความเหมาะสมจะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะรับผ่อนอนลมห์ตนาให้ผ่อน